กลปกลางของพวกเราเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติาทำคุณให้กับประเทศชาติน้าที่ไหนบ่อน้าที่ไหนสระน้าที่ไหนมีแต่ทำคุณอย่างตรวงพ่อเหมือนกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแต่ที่แรกสระน้ำเดี๋ยวน้ป้าย ก, ปกลปยังมีอยู่นะยังติดไว้อยู่ที่แด้ทำสระน้า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 เวลาตกพอเย็นๆขึ้นมาก็บินขึ้นเป็นฝูงเป็นฝูงแต่ที่แรกมันก็บินต่ํากว่า น, น่ะพราะบินต่ําปืนลูกสองเขาก็ยิงจากนั้นพอมันบินขึ้นมาญปุ่นอยู่ในวัดก่อนสูงขึ้นสูงๆๆมันจะค่อยออกไปมันก็ฉลาดเข้ามันเหมือนกันนะเออนกเป็ดเออเห็นแล้วโอ้นาสงสารพอตีสีท่ที่ห้ามาล่ะจิบจ๊บจิ๊บจ๊จิจ๊าลงมาลงลงลงลงลงเลเออ มันมาพักช่วงหน้าหนาวเขาว่ามันมาจากชายบีดลุงบีเรียรเขาว่าแต่ลุงพ่อก็ไม่รู้แล้วชายบีเรียรอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันหนาวจากที่นู่นมันก็เลยมาหลบอยู่ที่เมืองไทยแต่ก็มาเห็นอยู่ที่โอโ้โหเยอะจริงๆในวัดของเราแต่ลุงพ่อก็บอกนะพระอย่าไปใกล้นะถ้าไปก็ไปกลางกลางคืนแต่ไปหวานข้าวเปือกแต่ทิ้งทแถบแถบขอบสาสถ้าจะให้มันกินนะหวานขอบข้าวเปือกให้มันกินแต่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 เรื่องเงินไม่มีปัญหาท่านจะให้ลักษณะอย่างนั้นน่ะเอ่อที่ลงตานะี่ยท่านประวัตินาท่านจะให้เรื่องเงินจะขุดสะไหนที่จะเป็นประโยชน์เออแต่เราคิดว่าโอ้พอละขนาดนี้คิดว่าไม่น่าจะแห้งพอลงตาจากไปน้ําแห้งก็ยังคิดถึงหลงตาอย่างนั้นนะโอ้ถ้านลงตายังอยู่คงคจะคงจะขุดขุดสะให้เอน้ําไมาให้มันแห้งเลยให้ได้แต่เ น, นอ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 ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับพวกเราอยู่ในทิศหกทิศหพระพุทธเจ้าวพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือทิศหกทิศหกเนี่ยพระพุทธเจ้าเจด็จประทับอยู่ที่กรุง ร, ราชสักยึรวันนั้นพระองค์นั่งสมาธิจวนสว่างใกล้รุ่งพระองค์นั่งสมาธิจากนั้นพระองค์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 เออทลีบันเนี่ยเมืองตะกะศีลาเก่าที่พวกเราอ่านในพระไตรปิฎกนะเมืองตะกะศิลาตะกะศิลาเนี่ยแปลว่าพวกอาจารย์ท่านหลายทิศสะปามโมกอาจารย์ทั้งหลายจะเกิดในเมืองตะกะศิลาเป็นส่วนมากเป็นเมืองวิชาของยุคสมัยนั้นแต่นี้พ่อก็เลยส่งลูกชายเนี่ ย, ยสิงคารมานพเนี่ยไปเรียนที่เมืองตะกะศิลาพ่อไปเรียน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 แต่ถึงยังไงพ่อขอสั่งเสียลูกนะลูกนะถ้าลูกอยากจะเจริญยิ่งทั้งทางโลกทั้งการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติให้ดูแลบริวารดูแลทรัพย์สมบัติที่พ่อหามาไว้เนี่ยให้ดูแลรักษาเนะ้อแต่ก่อนที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ให้อยู่นะต้องเคารพคารวะทิศ ท, ทั้ง6นะลูกนะ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 แม้แต่วันเดียวถึงจะฝนตกแดดออกอร้อนหนาวยังไงหิ ม, มะตกขนาดไหนสิงคานลมานพกว่าไม่เคยย่อท้อเพราะว่าพ่อสั่งให้กราบไหว้อ่อนน้อมเคารพคาวะทิศทั้งหนะจึงจะเจริญในการบริหารจัดการบริหารการงานาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นถ้าหากอ่อนน้อมถ่อมจนเคารพคาวะทิศทั้งห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 ได้รับคําสั่งจากพ่อนั้นอ่ะพ่อไม่ได้อธิบายว่าทิศทั้ง6นั่นคืออะไรแต่สิงคารมาโนประวัติทั้งหก็คือทิศเหนือทิศใต้ธรรมดาเหมือนกับคนทั่วทั่ ว, ว, วไปคิดเขาก็เลยปฏิบัติตามแต่ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วไม่ถูกแต่วันนั้นท่านก็เลยตอนเช้ามากันพระพุทธองค์กับพระอานอนท์ท่านก็พระ อ, อ, นอนานนท์ก็ไปบินธบาตตามหลังพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เดินก่อนพระอนุนตามหลังไปก็ไปเดินไป เ, เดินไปไกลๆตรงที่สิงขาลมาโนกําลังกราบไหว้ทิศทั้งหยกมือไหว้ทิศทั้งหนอบน้อมต่อทิศทั้งหอยู่พระพุทธองค์ก็ถามว่าสิงขารมานพเธอทําอะไรสิงขารมาโนกก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์กราบไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าขา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 อันนี้ก็คือเบื้องทิศเบื้องซ้ายมิสหายาทิศเบื้องต่ำลูกน้องบริวารถ้าเราเป็นเจ้านายเขาเราก็ต้องดูแลลูกน้องสารถุสุขติดยังไงขาดเหลืออยังไงเจ็บไข่ได้ป่วยยังไงมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเจือจานถ้าเรามีน้ำใจกับลูกน้องลูกน้องก็มีน้ำใจกับเจ้านายก็ต่างคนก็ต่างให้ความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกัน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 การปฏิบัติต่อคนทั้ง6ประเภทนี้ปฏิบัติตนอย่างไรถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนี้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวฮะ เ, เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะมีท่านคุณโยมผู้การที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ด้พาลูกพาหลานเข้ามาสู่วัดวาศาสน า, อาขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย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 ไปทางนะอังกฤษจะปกครองฝั่งนี้ฝรั่งเศสเขาจะเอาเนี่ยนะรัชการที่ห้าจะทุกขนาดไหนในยุคสมัยนั้นได้วิ่งไปหาเยอรมันวิ่งไปหารัเสเซียขอให้ปกป้องประเทศชาติป ร, าตประเทศชาติจึงได้พ้นปากเกียวปากกามาสมัยนั้นจนมาถึงบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในประเทศชาติเป็นอิสระ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 ในประชาคมอาเซียนมีอยู่10ประเทศประเทศไทยเนี่ยการศึกษาตกเป็นอันดับ8แ <c oughs> <c oughs> ปลว่าที่หนึ่งที่สองจนจนถึงอันดับ8ลงพ่อโอ้โหทำไมถึงขนาดนั้นมันน่าอับอายจริงๆสรุปแล้วก็คือผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่เป็นผู้น้อยทั้งที่พวกเราได้รับการศึกษามาอย่างดีนับดูสิปริญญาตรีโทเอกในประเทศไทยเงินแต่ละปีเนี่ย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 หลวงพ่อได้ช่วยสงข้ออนุเข้อทั้งวัดวาศาสนาเองหลวงพ่อก็าไม่ได้ขาดตกพยายามทําให้ดีที่สุดอย่างที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร อ, อย่างเนี้หลวงพ่อไปสร้างตึกหนีไฟที่หลังตึกหลวงตามหาบวัวอาคารที่ติดถนนตึกหลวงตาที่หลังติดหลังไปนั่นะตึกหนีไฟหลวงพ่อไปสร้างตึกสิชั้นหลังนั้นะงบประมาณ80กว่าล้านอีกไม่นานนะี้ก็ หลวงพ่อจะได้เปิดเนี่ยเปิดเดือนตุลาเนี่ยไม่ทันนะก็คงจะนู่นแหะออกพรรษากระถินผ่านไปแล้วแหละหลวงพ่อจึงจะไปเปิดเดี๋ยวนี้ถ้าว่าหนีไฟคำว่าหนีไฟคำนี้ค่อยๆถ้าไฟไหม้ตึกหลวงตาก็จะหนีมาตึกหลังนี้ทำสะพานเชื่อมมาเจสะพานแล้วก็เป็นที่จอดรถทั้งหมดได้ประมาณเจ0ดรอคันตึกหลังนี้นะถ้าว่าจอดแบบ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 เพราะเราจะต้องเวลาเขาปรวาณาหลวงพ่อก็ดูซะก่อนออว่าเป็นไปได้ไหม เ, เขาล่ำรวยเพียงพอไหมนี่เนี่อย่างที่เนี่ยญาติโยมหมอที่มาบวชที่วัดหลวงพ่อหน้าแรงเนี่ยจะให้พวกพ่อจะให้ผมช่วยอะไรครับหลวงพ่อเออไปดูโรงพยาบาลนายูงด้ยซิเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเขาขาดไปดูดูก็ได้ท่านก็ไปดูไปดูก็ไปเห็นเครื่อง X ray. เอ็กซเรย์ เอกซเรย์ ray, โรงพยาบาลนายูงพ่อถ่ายขึ้นมาดำเปื้ อ, อจนมองไม่เห็นฟิล์มเลยโอ้อย่างนี้เขาใช้ได้อย่างไรน่าหน่ายสิจากนั้นท่านก็นซื้อเครื่องมาให้สามล้านกว่าเครื่องเอกซเรย์ ray, นี่แหละหลวงพ่อเองไม่ได้นิ่งดูได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อวัดวาศาสนาต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจะมองมองมอ ง, มองให้เกิดประโยชน์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 อำเภอเอาเราวัณในหลังหนึ่งนี่แหละหลวงพ่อเองจังคําที่้มุกดาหารหลวงพ่อก็ได้ไปสร้างอีกเหมือนกันหลายหลังที่นายุ่งปั้นนาคําน้อยหลวงพ่อก็สร้างอีกนะเพราะฉะนั้นอาคารเรียนหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามเพื่อลูกเพื่อหลานเพราะฉะนั้นสาธารณประโยชน์นีหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะคณะศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยสวนวัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ได้ช่วย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 บอกกล่าวแนะนำวันนี้ก็คิดว่าจะพูดสั้นๆนะก็พูดเสียยืดยาวเออขอจบเพียงเท่านี้นะเนอะ